เขาทมาเทศนาแผ่นที่70ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ 1. พฤศจิกายน2557มีชื่อเรื่องว่าสร้างวัดไทยวิญญาณเปรต คณะสัตยาธิโยมลูกหลานอยู่ในความสงบหลวงพ่อคงจะพูดไม่นานแสดงธรรมให้กับพวกเราเป็นแนวความคิดนานๆพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันอย่างหลวงพ่อเนี่ยออก่อนที่จะลงมาถึงวัดออของเรานี่ก็ใช้เวลา นานพอสมควรเสียสละนานพอสมควรแต่ก็ภาระทุระแต่ละวัดแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละองค์อย่างหลวงพ่อหลวงพ่อยอมรับว่าเมื่อสมัยเป็นพระน้อยพระนมภาระธุระก็ไม่รัดตัวถึงขนาดนี้แต่พอมาถึงจุดนี้รู้สึกว่า มันมารุมมาตุ้มถ้าไม่ไปหรือก็อยังไงถ้าไปหรือก็อยังไงเอออย่างนี้แล ะ, ะลงมาที่นี่คงวันพรุ่งนี้วันมะเรือนนี้ก็มีอีกแล้วก็จะต้องรีบกลับไปเพื่อประชุมูมนิธิที่เตรียมพร้อมเอาไว้แต่วันที่ห้า ครูบาอาจารย์หมูพวกเพื่อนเราบอกว่าทำพิซซ่าท่าพระจันทร์จะมีงานาหล่อพระขอในมนฑลของพ่อแต่หลวงพ่อก็เลยแบ่งแบ่งรับแบ่งสู้ทีนี่ลงมาแล้วขึ้นไปขึ้นไปแล้วลงมาเนี่ยหลวงพ่อไม่ใช่พราน้อยพ้านุ่มนะท่นนี่ศรัทธาญาติโยมนะ หลวงพ่ออายุ70็ดสิระนาดเดียวนี่พอนั้นอายุ7จบน่ยจะไปแบบใช้งานแบบไปไม่รู้จักจุดจักย่อนไม่มีเวลาพักผ่อนจะเลยก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันก่อนที่จะไปที่ไหนนะคณาญาติโยมก่อนที่จะลบมาที่นี่ก็เหมือนกันหลวงพ่อได้คิด แล้วคิดอีกเหมือนกันที่ได้ลงมาในคราวนี้ครั้งนี้คิดว่ามีประโยชน์เพราะวัดของเราเป็นวัดเริ่มสร้างเริ่มก่อสร้างใหม่ควรจะพร้อมหน้าพร้อมตากันเพราะว่าเจ้าภาพที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพอ่อโ ย, ยมเท่าแก่ที่ถวายที่ดินหลวงพ่อก็รับ รับพอรับหลวงพ่อก็ถามหลวงพ่อเล็ก เ, เล็กจะรับได้ไหมถ้ารับได้ก็เอาผมจะรับถ้ารับเล็กท่านเล็กรับไม่ได้ผมอายุมากแล้วนะผมคงสร้างวัดอีกไม่ไหวคงจะให้น้องน้องนุ่งนุ่งงหลายาที่มีกําลังอยู่ช่วยๆกันทําถ้าสร้างขึ้นมาแล้วก็จะเกิดประโยชน์ ในชุมชนในท้องถิ่นของพวกเราพอวัดวาศาสนาขึ้นมาแล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเป็นบุญกุศลนานเท่านานเพราะว่าการสร้างวัดวาศาสนาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของใครเมื่อสร้างขึ้นเป็นแล้วเป็นของกลางเป็นของพระพุทธศาสานาอ่า เมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วเสนาชนะที่พักพ้าอาศัยสารากุติในวัดนี้เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ของหลวงพ่อเล็กและไม่ใช่ของผูหนึ่งผู้ใดอีกเป็นของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าพุทธบริษัท4ีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรถ้าผู้ใดก็ตามมาภาวนามาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดนี้ เราก็ได้บุญกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมถ้าว่าท่านผู้ใดมานั่งภาวนาจนทำจิตใจให้สงบจนในเป็นพระอริยบุคคลพระโสดาสกทาคาเป็นพระอรหันในสำนักสงฆ์ของในวัดของเราแห่งนี้เราก็ได้บุญกุศลจากผู้ที่มาภาวน า, ากับ ผ, ผู้นั้น เนี่ยแหละอันนี้คือบุญสืบเนื่องบุญต่อเนื่องในการสร้างวัดว า, าสนาสร้างวัดให้ผู้มาปฏิบัติธรรมอย่างวันนี้นะ อ, อย่างโยมเท่าแก่กับโยมครอบครัวถวายที่ดินไว้ในพุทธศาสนาเนี่ยพระสงฆ์กันได้มานั่งอยู่ดินแปลงนี้แล้วก็พี่น้องประชาชนได้กันได้มาบําเพลิทานศีลภาวนามาฟังธรรมในที่ดินแปลงนี้ อันนี้แหละอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับตระ ก, กูลของเราและเป็นบุญกุศลสำหรับพวกเราได้เสียสละร่วมกันในเมื่อเราได้ทำบุญได้เสียสละ ร, ร่วมกันได้ทำบุญร่วมกันแล้วเนะล้วเราก็ปรารถนาเถอะเออด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพรเจ้าได้ทำสร้างวัดวาศาสนาได้สร้างถาวรวัตถุบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพะรมพะสงฆ์ ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนี้ขอให้เป็นพลังเกื้อกูลหนุนกิจการงานของข้าพเจ้าอย่าได้มีอุปสรรคให้ราบรื่นเราปรารถนาอะไรอยู่ในกรอบของศีลธรรมความปรารถนานั้นก็จะสําเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาพอเราได้สร้างบุญสร้างบุญไว้แล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะ การสั่งสมบุญกุศลเป็นบุญกุศลสืบเนื่องติดภพติดชาตินานเท่านานเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่าได้ประมาทการสร้างการสร้างฐานะแล้วก็สร้างการหาเงินคำทรัพย์สมบัติสร้างฐานะแล้วก็สร้างแต่เราจะไปคิดว่าสร้างฐานะอย่างเดียว โดยที่ไม่มีสร้างบุญสร้างกุศลด้วยอันนั้นไม่น่าถูกนะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทัานท่านว่าไม่ถูกอาหารกายอย่างหนึ่งอาหารใจอย่างหนึ่งอาหารกายก็คือข้าวน้ําโภชนาะอาหารปัจใจสี่อันนี้นคืออาหารเลี้ยงร่างกายส่วนอาหารใจกันนี่นะสร้างศีลสร้างธรรมสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาสร้างคุณงามเข้า คุณงามความดีเข้าสู่จิตใจน่ะอันนี้ก็คืออาหารของใจอาหารของกายกันปัยจสี่อย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้คณะสัทธาญาติโยมได้ทราบนะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะได้เริ่มแสดงธรรมแล้วนะที่นี่นะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ปฏิถาโหนติปานินันตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่พวกเราคณะทาญาติโยมพระสงฆ์ได้ร่วมกันจะถวายผ้ากระถินวันพรุ่งนี้เย็นวันนี้พวกเราได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์และก็สมาทานศีล ต่อนี่ไปเป็นการจะได้ฟังพระธรรมเทศนาหลวงพ่อเองจะได้กล่าวสัมโมธนาิยกถาในงานที่จะทอดกะถินวันพรุ่งนี้การทอดกะถินในคราวนี้ครั้งนี้เป็ น, านการทอดกะถินเป็นปฐมฤกษ์คือเป็นครั้งแรกของวัดโยมเท่าแก่หรือโยมครอ บ, อบครัว ของคุณโยมได้ถวายที่ดินแปลงนี้ไว้ในพระพุทธาศาสนาเป็นทึง6กไร่ถ้าราคาแล้วก็มากโขพอสมควรอยู่แล้วก็หลวงพ่อเองในฐานะพระสงฆ์หรือว่าเป็นประธานสงฆ์ที่นั่งอยู่ณนะสัตถานที่แห่งนี้หลวงพ่อก็อนุโมทนาในน้ำใจของเจ้าภาพอนุโมทนาน้ำใจ กับคณะรัตยาติโจมผู้ที่มาเกี่ยวข้องที่จะพร้อมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ว่าการสร้างวัดก็ต้องได้ใช้ทุนทนรัพย์พอสมควรในการสร้างวัดวาศาสนาอย่างที่แล้วๆมาที่ผ่านานมาที่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าเป็น หลุมเป็นบอ่อพอสมควรก็จะต้องได้เอาดินมากลบมาถมให้เป็นที่เรียบราบจากนั้นไปตอนนี้ไปพวกเราก็จะได้วางแผนสร้างเซนาสนะที่พักพาอาศัยพระสงฆ์ตลอดถึงพี่น้องประชาชนศรทัทธาญาติโยมพุทธบริษัทที่มาจากจารุริตจะได้มาพึ่งพาอาศัยและปฏิบัติธรรมที่วัดของพวกเรา เ, เพราะนั้นการ ทอดกระถินวันพรุ่งนี้เราถือว่าเป็นปฐมฤกษ์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะว่าพวกเราจะได้หาทุนหาทุนเพื่อสร้างวัดแห่งนี้เพราะนั้นการหาทุนแห่งนี้เราก็หลวงพ่อเองเคยพูดย้ำอยู่เสมอว่าไม่ให้หนักกับผู้ใดใครพูดหนึ่งไม่ให้หนักกับผู้ใดใครพูดหนึ่งขอแต่ถึงว หรือว่าให้พวกเราเป็นพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธทเจ้าต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำวัดวาศาสนาที่พวกเราได้ไปพักพาอาศัยอย่างวัดของหลวงพ่ อ, อเหมือนกันที่เป็นวัดขึ้นมาได้อย่างนั้นก็ต้องอาศัยพุทธบริษัท4อุบาสกอุบาสิกาสละทุนทะัพย์ตลอดถึง พี่น้องประชาชนสละกำลังออกมาช่วยกันผู้ที่มีเงินมีทุนก็สละทรัพย์สมบัติผู้ที่ไม่มีทุนก็สละกำลังออกมาช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันพัฒนาจนเป็นรูปร่างเป็นวัดวาศาสนาขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นวัดต่างๆไม่ใช่วเศษคาถาเป่าฟูดฟาดขึ้นมาก็จะเป็นขึ้นมาได้เพราะนั้น เรื่องวัดวาศาสนานี่ยในครั้งพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นพระองค์ก็ได้มาโปรดพระเจ้าพิมพิสารเป็นเมืองแรกจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้บวชในยุคสมัยนั้นมากพอสมควรจากนั้นพระองค์พระเจ้าพิมพิสารก็ได้ถวายวัดป่าเวลุวัน ไปไปวัดป่าเวลุกวันเวลุกวันคำนี้นก็คือวัดป่าที่เป็นไม้ไผ่ป่าไม้ไผ่เวลุวันคือป่าไม้ไผ่ถวายไว้ในพระพุทธาศาสน า, าเป็นที่ดินของของหลวงอย่างถ้าถ้าจะเปรียบเทียบทุกวันนี้นก็คงจะเป็นสวนลุมพินีวันลุมพินีหรือว่าสวนหลวงอย่างนี้นนะแต่คงจะอยู่นอกเมืองนอกกรุงราชจะคือเหมาะสมที่พระสงหรือพระพุทธองค์จะได้เข้าไปประทับ อ่าเป็นเป็นสวนสวป่าไผ่ที่เรื่นรมจันนั้นพระองค์ก็ได้ประทับอยู่ที่นั่นพระเจ้าพิมพิสารเห็นว่าพระพุทธองค์ได้มาประทับอยู่ที่วัดหรือเป็นอุทยานของพระของพระองค์พระองค์ก็เลยได้ยกวัดป่าทุกที่ดินสวนลุมพินิษสวนเวลุวันแห่งนี้น่ะถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา เป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็คือการสร้างวัดในยุคสมัยแรกจากนั้นท่านพระองค์ก็ม้อมถวายถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นท่านก็เทน้ําทักคิโนโทกคล้ายกับว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ถวายที่ดินแปลงนี้สวนปัตเวรุวันแห่งนี้ไว้ในพระพุทธศาสนา ขอเทพเจ้าเหล่าเทว า, าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือคณะพุทธบริษัทสี่รับทราบ พ, พระองค์เทน้ำทักขีโนโทกลงในแผ่นดิน เ, เป็นสักขีพยานจากนั้นพระพุทธเจ้าก็รับไว้ในเป็นปวัดในพระพุทธศาสนาแต่ก็ยังมีเรื่องอที่น่าคิดอีกส่วนหนึ่งคือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ย สมัยก่อนพระองค์ก็เป็น เ, เวียนไห้ตายเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่ว่าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวนะในหลักธรรมคำสอนสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสาร เ, าเกิดขึ้นม า, าในยุคหนึ่งเป็นขุนคลังเป็นขุนคลังแต่ดาบแต่ดาบสามพี่น้องเนี่ย เป็นลูกเป็นเจ้าฟ้าชายของพระเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้าชายของพระเจ้าแผ่นดินพี่ชายใหญ่ให้เข้าว่าเป็นลูกของของพระบิดาพระมารดาคงจะสวรรคตเมื่อเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วจากนั้นก็พระบิดาก็ได้แต่งงานกับ เป็นมีอัคคมเหสีอีกก็มีลูกสาวสองสามคนจากนั้นพี่ชายใหญ่ท่านก็ออกไปบวชได้ตัดสร้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาติพอรัฐในตัดสั้แล้วทีนี้กลับเข้ามากลับมาเยี่ยมพร ะ, พระบิดาพระบิดาก็ทำเป็นกำแพงล้อมรอบที่พระพุทธเจ้า บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุตรของเราพระธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของบุตรของเราพระสงฆ์สาวกก็เป็นสาวกของลูกชายของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นของเราไงทีนี้พระบิดาก็ล้อมพระเจิีล้อมกําแพงล้อมรอบไว้ปฏิบัติทำบุญคนเดียวคือกับบริวารเท่านั้นแหะ พี่น้องประชาชนคนอื่นน่ยแปลว่าเข้าทําไม่ได้เพราะวพระเจ้าแผ่นดินทํากําแพงล้อมรอบเอาไว้แต่นี้น้องชายต่างบารรดาของพระพุทธเจ้าเห็นเออเราจะทําย่างไงจึงจะได้ปฏิบัติจะจะได้ปฏิบัตพิพระเจ้าพี่พระพุทธเจ้าเราจะได้ทําบุญนะถ้าทําอย่างนี้พ่อของเราเนี่ยทาบุญมีแต่ ทำกับบริวารพวกเราไม่ได้ทำบุญเต็ ม, เ ต, ม, เ, ต ม, เ, มตเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยเราจะทำยังไงก็เลยสามพี่น้องก็เลยเไปก่อศึกข้างนอกแต่ทำท่าไปก่อศึกนะคล้ายๆแบบในหัวเมืองนอกนะอพระนสโดก็เลยพระเจ้าแผ่นดินเห็นว่าโอ้สุกศึกหัวเมืองเกิดในชนบท ก็เลยเรียกลูกชายมาถึงเอ้ยลูกเนี่ยศึกเกิดอยู่ในชนบทนะให้พวกเธอไปอปราบกระโดไปเปิดปราบศึกนะครับผมอพอเสร็จแล้วกับลูกชายทั้ง3ามคนก็พอไปถึงหัวเมืองก็ไปบอกเอ้ยข้ามาลายด์ยศไอหยุดบ้านเมืองราบข้าวแล้วก็กลับมากลับมากับปรึกษากันใน3พีเดียวเอ้ถ้าหากว่า พ่อบิดาของเราเนี่ยให้พรเนี่ยเราจะเอาอยัางไงเออบอกเอาให้ไปครองเมืองนั้นหรือให้ให้รางวัลอย่างนี้เอ่เราจะว่าอย่างไงเราไม่ควรเอานะเราควรจะบอกว่าข้าพเจ้าจะขอปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระเจ้าพี่นี่แทนพระพุทธเจ้าแทนพระบิด า, าได้ไหมเนีพวกเราต้องต้องขอทําบุญแทนพระบิดาเนี่ย จิตใจที่เป็นกุศลคนเราที่จิตใจเป็นกุศลเป็นอย่างนั้นนะต่นี้นก็พอมาถึงก็เป็นอย่างที่ได้คาดคิดไว้จริงๆพระบิดาก็ดีอกดีใจว่าลูกชายไปปราบโจรผู้ร้ายชนบทลาบคาบกลับมาแล้วพระองค์ก็ประทานพรเออเราประทานพรพวกเธอต้องการอะไรเราจะให้พอรอย่างที่พวกเธอต้องการพวกนี้นก็เสนอขึ้นมาเลยสามพี่น้องเนะ่ ครับสวนอื่นก็เอาไว้ก่อนอพวกผมขอปฏิบัติพระเจ้าพี่พระพุทธเจ้าแทนพระบิด า, าตลอดไปพระบิดาโอ้ยไม่ได้ตัว น, น, น, นี้พ่อให้ไม่ได้ลูกจะขอพรในอื่นพ่อให้ได้แต่ขอทีนี้พ่อให้ไม่ได้เอาเถอะถ้าพ่อให้ไม่ได้ขอเจปีขอปฏิบัติไม่ได้เจปีเจเดือนพอที่สุด ได้คนละเดือนกันสพี่น้องนะสามพี่น้องได้คนละเดือนกันพอได้คนละเดือนเสร็จแล้วก็พ่ออนุมัติมอบให้แต่นี้ทั้งสามพี่น้อ ง, องเราจะทํำยังไงจึงจะได้บุญกุศลมากเอาเถอะราชทรัพย์ของเราเนี่ยทุนทรัพย์ของเราเนี่ยมอบให้มอบให้นักขุนคลังเป็นผู้จัดการ เ, เท่าไหรสามเดือนเนี่ยเราจะเอาคนละเดือ น, เ, นเราจะคนละกี่ล้าน เ, เลี้ยงพระสงฆ์เป็นแสนองค์เนี่ยเท่ากับเสร็จแล้วกักมอบให้มอบให้เงินให้เพียงพอสมพี่น้องกับบวชได้สิเนี่ย เ, เข้ามาบวชกับพระพุทธเจ้าคล้ายๆกับมาบวชปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าแต่ให้ขุนพลังกับบริวารของตัวเอง เ, เป็นผู้ทําอาหารถวายพระสงฆ์ พร้อมกับพระพุทธเจ้าคือว่าเงินเนี่ยให้เพียงพ อ, เ, อเงินเนี่ยกะว่าให้เพียงพอเหลือเฟือ อ, อย่าให้ขาดตกบกพ่องตอนนี้ขุนพลังเนี่ยก็จ่ายเงินตามตามทีเ่เจ้าฟ้าชายทั้งสามท่านเนี่ยมอบให้เดือนวันละเท่าไหร่แต่ละวันตอนนี้บริวารทั้งหลายแหล่ของ เ, อเป็นทาหารบริวารทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จัดการกัดอาหารถวายาวัน แรกๆ ก, ก็ทําดีเลี้ยงอาหารอย่างดีพระสงฆ์พร้อมกับพระพุทธเจ้าพอต่อมาที่นี่มันกิเลสมันอาหารมันดีอ า, า อ, าาอาหารอรสอร่อยพอทําอาหารเสร็จแล้วก่อนทั้งลูกทั้งร้านคนนั้นขอคนนี้ข อ, อพอคนนี้ก็แบ่งให้พวกที่ทําอาหารกินอาหารก่อนพระพุทธเจ้ากินอาหารก่อนพระก่อนพระสงฆ์ที่นี่พระสงฆ์ไม่ได้อนุมัติคือเจ้าฟ้าชายไม่ได้อนุมัติว่า ให้พวกเขากินเนี่ยแต่เขาก็ไม่ทานอาหารกินอาหารของถวายพระพุทธเจ้าถวายสงฆ์เท่แต่ทั้งนกได้มาเขา ก, ก็กินก่อนแบบไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอย่างนั้นน่ะแต่คุนคางคุนครงก็ให้เงินตามตามที่ได้สั่งเอาไว้ชื่อตรงไม่มีการบิดเพลิ้ในการจ่ายเงินเพราะในสุดพอสามเดือน ทั้งเจ้าฟ้าชายทั้งสามคนก็ลาสิขาออกมาแล้วก็พระบิดาก็คงจะทําหน้าที่ปฏิบัติเหมือนเดิมจากนั้นก็ยังต่อมาพระพุทธองค์ประเทศพระมารพระบิดาเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นของสาธารณะกับทุกคนในโลกพระบิดาจะมาปฏิบัติคนเดียวอย่างนี้คงไม่ถูกต้องเอาละเพียงพอแล้ว พ, พระบิดาปฏิบัติ ขณะนี้เพียงพอแล้วควรจะให้กับชาวโลกต่อไปนะในพระบิดาก็เลยยืดหยุ่นจากนั้นก็พระพุทธองค์ก็ได้ประกาศพระพุทธาศาสนาต่อไปทต น, นี้เลยเรื่องเลยเรื่องของพระเจ้าเท่าเจ้าฟ้าชายสามท่าน aları, พอตายจากเช่นั้นท่านก็ไปสู่สวรรค์เพราะอานิสงส์การทําบุญทําทานของท่านขุนครังก็ไปสู่สวรรค์แต่พวกบริวารทั้งหลายที่ ทำบุญกับพระพุทธเจา้าตกนรกเท่นี่พอไปกินของไปกินของทานที่โดยที่ไม่ได้อนุญาตกินของทานก่อนที่พระสงฆ์ที่เขาจะถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ตกนรกพอพ้นจากนรกขึ้นมาแล้วก็เป็นเปรตท่นี่หิวโซหิวหูหิวโหวยพอมาถึงพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเกิดขึ้นมาก็เข้าไปถามพระพุทธเจา้าโอ้ข้าพระองค์นานเท่าไหร่เนาะ จึงจะพ้นจากการเป็นเปลดพรตะพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็บอกว่าเออให้ไปถามองค์ต่อไปนะพระพระพุทธเจ้าจะเกิดอุบัติขึ้นในโลกเป็นระยะระยะองต่อไปค่อยถามทนะเนอะพอถามึ้นมาอีกองที่สองถามเ อ, เอกนานเท่าไหร่น้อข้าพเจ้าจึงจะพ้นจากการเป็นเปลตดเออให้ถามองค์ต่อไปเนอะจนมาถึงพระพุทธเจ้ากะกุสันโธในพัทธกัปนี้มีพระพุทธเจ้า5้าพระองค์ คือกุกุสันโทโกนคมโนกัจปโปล่โคตมโมอริยาเมเตเตโยมีหพระองค์แต่ได้มาถึงพระกุกกาคุสันโทเนี่ยถามโอีคกนานเท่าไหรน่น้อข้าพระองค์จึงจะได้พ้นจากการเป็นเปรตที่ทุกยากหิวโหวยเหลือเกินพระพุทธเจ้ากา ก, ากุกุชันโทบอกว่าออกจากนี้ไปเป็นองค์ที่สมนะ เป็นองค์ที่สี่นะองค์ที่สี่พวกท่านจะให้ไปถามละองนั้นแหละจะทำให้พวกท่านพ้นจากการเป็นเปรตท้าไี้พวกเปรตเหล่านั้นเสวยความทุกมาไม่รู้นานเท่าไหร่ท่านี้พอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่เท่านั้นแหละเขามีความชื่นใจขึ้นมาโอ้โหเหมือนกับวันพรุ่งนี้มลืนนี่นะจะได้พ้นจากการเป็นเปรต ที่การทําบาปกรรมของเขาจากนั้นมรมาก็พระกุคุชนโธผ่านไปแล้วก็โกณคัมโนก็ขึ้นมาพอกัจจปโขขึ้นมาอีกต่อมาก็โคตโมคือพระพุทธเจ้าของเรานี่โคตมะโคตโคตมะพอพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเขาก็จ้องมองว่าญาติของเราเนี่ยคือขุนคลังเนี่ยคือพระเจ้าพิมพิสาร ที่เป็นขุนคลังที่จ่ายเงินให้พวกเราทําบุญกับพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เราก่อนหน้านี้แต่นี้พระพุธแต่พระเจ้าพิมพ์พิสารเป็นพระเจ้าแผ่นดินเอาเถอะเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทําบุญแล้วท่านก็คงจะอุทิศส่วนกุศลให้เราี่แหละแต่นี้พระเจ้าพิมพ์พิสารก็ได้ถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชาสร้างที่ดิน สร้างวัดไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นวัดแรกเทนี้พระเจ้าพิมพ์พิสารถวายวัดป่าเวรุวันในวันนั้นแล้วพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้อุทิศ ส, ส่วนกุศลเนี่ยจุดนี้ฟังเอาไว้นะคะศรัทนะ ธ, ธาญาติโยมถ้าเราทําบุญแล้วถ้าเราไม่อุทิศ ส, ส่วนกุศลบุญกุศลจะไม่ไม่ไปไหนนะมันมาอยู่กับตัวเองมันจะไม่ถึงใครเพราะว่าเหมือนกับเราไปขายขายที่ดินเสร็จแล้วนะ่ะเขาจ่ายเงินครบ เราก้ น, นับเงินเสร็จแล้วก่อนเอาเข้าธนาคารไม่ได้แบ่งให้ใครเลยเขาก็ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้แบ่งให้เขาเนี่ก็เหมือนกันเมื่อพระเจ้าพิมพ์พิสารทําบุญเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพ์พิสารไม่ได้ทําไม่ได้อุทิศส่วนกุศลถึงญาติพี่น้องญาติติโกโหติกาผู้มีพระคุณทั้งหลายไม่ได้กล่าวถึงพระเจ้าพิมพ์ิสานทําเสร็จแล้วก่อนเทน้ําทักขีโนโทกแล้วก่อเออเป็นว่าบุญกุศล สบายอกสบายใจทั้งวีทั้งวันเลพอตกตอนเย็นเลยพอตกกลางกลางคืนพวกเปลททั้งหลายที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารแต่สมัยเป็นที่สมัยเป็นเลี้ยงอาหารพระพุทธเจ้าที่เป็นฟ้าชายสาคนน่ยฟ้าชายสามคนก็ได้มาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่บอกอุลุเวลาคาตาปะนาทีคาตาปะขยะคตาปะ3พี่น้องเป็นเจ้าฟ้าชายก็เป็นพระหัน์ ก็อยู่ในอยู่ในนี้มุมกลุ่มนี้เหมือนกันที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอยู่วัดป่าเวลุวันนี่เหมือนกันตอนี้พระเจ้าพิมพ์ิสารก็เป็นคุนคลังค่คุนคลังก็คือเป็นผู้ ด, ดูแลอุอปถัมภ์ท่านชาดิน3พี่น้องโอรุเวลาเนทีกะจปาพ อ, อพระเจ้าพิมพ์พิสารถวายแล้วไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้กับพวกใครผู้ใดใครผู้หนึ่งพอตก กลางคืนมาเท่านั้นแหละพวกเปรตทั้งหลายที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติแสดงตนให้ปรากฏบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้อุทิศ ส, สวนกุศลให้กับเราพอถวายวัดป่าเวทุวันแล้วก็ได้บุญคนเดียวไม่ได้อุทิศถึงเราเลยเปรตเหล่านั้นพอตกกลางคืนมากอยู่ในห้องนอนที่พระราชวัง แขวนหน้าตรงบ้างหน้าต่างบ้างทําอะไรให้เห็นดูดูดแลเหมือนกับ เ, เป็นเปลืเห็ดให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารนอนไม่หลับทั้งคืนเลยทะนี้พอเห็นเปลือกะเห็นเปลนะืปตกอนไม่หลับทั้งคืนพวกในเช้ามาแต่เช้าเนี่ยมากราบพระพุทธเจ้าพระองค์ถามว่มามหาปวพิตรเป็นไงบรรทมสลับพักพักหลับดีอยู่เหรอ โอ้ยข้าพระ อ, องค์นอนไปหลับทั้งคืนพระเจ้าข่าอ้าวเพราะอะไรไม่รู้อะไรอีลุงตุงนงังเห็นเหมือนกับแขวนหน้าตรงแขวนหน้าต่างน่ากลัวมากเมื่อคืนนี่ไม่เคยเห็นไม่เคยมีมาก่อนพระทูนอองบอกว่าเออนั่นแหละเป็นญาติของพระ อ, องค์นะในอดีตชาติเป็นญาติของพระ อ, องค์ เ, เขา เ, เมื่อวานในพระ อ, องค์ได้ถวายที่ดิน ไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วเขาจ้องคอยอยู่มานานไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนปีแต่เมื่อพระ อ, องค์ทําบุญแล้วไม่อุทิศส่วนกุศลถึงเขาเลยเขาจึงแสดงตนให้ปรากฏเมื่อคืนนี้ เ, เพราะฉะนั้นให้พระ อ, องค์อุทิศส่วนกุศลให้เขานะเมื่อทําบุญครับผมอุตส่างานขอพระ อ, องค์โปรดไปฉันพรตทหารพุ่งนี้ด้วยเถิดข้าพระองค์จะได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขา จากนั้นวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์ก็ไปฉันที่เวียงวังพระเจ้าพิมพ์ิสารก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําวันนี้ญาติของข้าพเจ้าในอดีตชาติที่ผ่านมาตกทุกข์ได้ยากอย่างไรขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าออทุกทุกท่านด้วยเถินออพระเจ้าพิมพ์พิสารทําเมื่อทํา วัตถิส่วนกุศลแล้วก็เทน้ําทักขินโนทกกวดน้ำวัตถิส่วนกุศลเสร็จแล้วก็พ่อตกกลางคืนมาทีเปรทเหล่านั้นรู้สึกว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์อ้วนท้วนสมบูรณ์มีกําลังแข็งแรงแต่ไม่มีเสื้อผ้าไม่มีเสื้อผ้าแขวนหน้าตรงหน้าต่างยังอ้วนท้วนไม่เหมือนคืนที่แล้วคือที่ล้โอโ้โหผอม เออคล้ายๆก็มีแต่ตัวตกันหนังติดกล้างกระดูกแต่วานข้านี้มีอ้วนทวนสมบูรณ์แต่ไม่มีเสื้อผ้าเออก็มารกราพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าขาดยังมีอยู่แต่ว่าอ้วนทวนสมบูรณ์ไม่เหมือนวันแรกเออเพราะฉะนั้นเขายังไม่ยั ง, ยงเห็นปรากฏให้เห็นอยู่พระองค์บอกว่าเออมหาภพิษเมื่อวานพระองค์ถวายแต่ อ, อาหาร ไม่ได้ถวายผ้าอโอภาทานั้นวันวันรุ่งขึ้นข้าพระองค์ขอถวายถวายพระตทหารด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเออพระองค์ก็รับโดยดุจหนีภาพใครกับวั น, นิ่งจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็ถวายอีกถวายพระทหารกับพร้อมกับผ้าจากนั้นพวกเปรตทั้งหลายพอได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากพระเจ้าพิมพ์พิสารแล้วนะเขาก็ไปหาเกิด ไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆของเขาเพราะเหตุไรเพราะว่าเปรตเหล่านั้นไม่ใช่เขาจะทําแต่บาปอย่างเดียวบุญกุศลเขาก็มีอยู่แต่เขามาใช้กรรมใช้กรรมตัวนี้คื อ, คอเขาทํากรรมหนักคือทานอาหารบริโภคอาหา ร, รที่เขาจะถ่อวิยพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ล้วนแล้วจะเป็นพระอรหันต์พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับพระอรหันตสาวกบาปของเขาจึงมหาศาลที่นี่ บาปมากมายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับคณะทายาติโยมทุกๆคน เ, เราจะทำอันไหนไว้เราจะคิดอะไรจะทำอะไรต้องคิดดูให้ดีาจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารท่านก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แล้วเปรตเหล่านั้นก็ได้ไปหาเกิดในพพภูมิต่างๆของเขาผู้ไปสวรรค์ก็มีเพราะเหตุรเพราะบุญกุศลเขามีอยู่แต่เขามาใช้กรรมเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนะ่ บางคนก็ไปติดคุกติดตารางแต่พอออกมาแล้วก็รวยขึ้นมาเพราะอไรเพราะว่าที่ดินมรดกของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขามีอยู่มาแล้วก็ขาขายที่ดินปู่ย่าตายายของเขาแต่ไม่ใช่มรดกคดโกงนะเขาก็ได้เงินมาเขาเป็นคนร่ํารวยเพราะอะไรเพราะว่าเขามีบุญมีทุนมีทุนมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเขามาทํากรรมทำทำผิดมันไปเลยเป็นโทษ ก็เลยติดคุกติดตารางนี่แหละอันนี้ก็คือการสร้างวัดวานในศาสนาของพระพุทธเจ้าคือสร้างวัดป่าเวลุวันเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาต่อมาก็มาสร้างวัดป่าเชตะวันมหาวิหารคือในอนาถาปิฎกเศรษฐีสร้างนี่แหละที่พวกเราสร้างวัดวานศาสนาอย่างสร้างวัดขึ้นมาเราก็เดินตามแนวแถวพระ อ, อ, อริยะสงฆ์สาวกเดิตามแนวแถวพุทธประเพณีที่อุบาสกอุบาสิกาได้สร้างวัดวาศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมพุทธบริษัท4เราไม่ได้เลือกว่าผู้ใดใครผู้หนึ่งมาสู่วัดวาศาสนาของมาอยู่วัดของเราขอให้ขอปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมพวกเรามีแต่คอยรับบุญรับกุศล อยาผู้ที่มาบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่ที่วัดของเราแต่ถ้าว่ามาทําความชั่วมาทําความเสียหายมาทําความไม่ดีไม่ร้ายในวัดของเราเราไม่รับรู้เราไม่รับทราบเราไม่ ร, มรู้ไม่เห็นด้วยการทําความชั่วแต่จงท่านผู้ใดก็าตามมาสร้างบุญมาสร้างกุศลในวัดของเราเรายินดีแล้วก็พวกเราก็จะได้รับบุญกุศลจากท่าน เขาเหล่านั้นด้วยต่อไปในอนาคตนานเท่านานนี่แหละอันในสง ก, การสร้างวัดวาศาสนาเป็นอันสงส์ที่ยืดยาวยาวนานทีเดียวขอนั้นเพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, าติโยมพวกทุกท่านนะการสร้างวัดวาศาสนาก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเป็นตัวอย่างให้ฟังแต่ก็พร้อมกันอย่างที่หลวงพ่อเคยย้ําอยู่เสมอว่าเราเกิดมาใน ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์สอนว่ายังไงพระพุทธองค์บอกว่าตายแล้วไม่สูญ น, นะตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงที่พระพุทธเจ้าท่านคงจะสงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสงสัยนี่นะตายแล้วไปไหนหายเงียบไปแต่โคตรยุคนั้นสมัยนั้นเขาก็สงสัยไม่แพ้พวกเราเหมือนกัน แต่พราะพระเทาเจ้าท่านไม่ได้นิ่งดูได้ท่านก็เลยไปเห็นเห็นคนแก่แล้วก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายแล้วก็เห็นสั ม, มณะเห็นคนแก่โอ้ทําไมคนยังแก่ขนาดนี้เฮ้ยช น, นะเราแก่เป็นไหมเป็นพระเจ้าขา่าทําไมตายง่ายก็ต้องแก่คนเราต้องแก่ไปเห็นคนเจ็บเอ๊ะท่านเขาทําไมจึงเจ็บเอา้าคนธรรมดาก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ถ้าว่ามีธาตุมีขันอยู่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและไปเห็นคนตายอีกอา้าวทำไมคนยังตายโอ้ชีวิตทุกชีวิตต้องตายไม่มีใครที่จะหลีกลี้ยหนีพ้นไปได้เรื่องความตายและไปเห็นสมมณะคือนักพรตนักบวชเป็นนักบวชไปเห็นส ม, มณะคือนั่งอยู่โครนต้นไม้นั่งขัดสมาธิเออถ้าเราได้มานั่งขัดสมาธิเรียกว่านั่งอยู่ตามลาพังอย่างนี้ เราคงจะเห็นช่องทางที่จะทำยังไงจึงจะไม่มาแก่เจ็บตายเนี่ยเราคงจะเห็นช่องทางได้แต่ถ้าว่าเราอยู่ในเวียงวังอทั้งบริหารจัดการทหารตำรวจเศรษฐกิจบ้านเมืองเราคงจะยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องบ้านเรื่องเมืองเราคงจะไม่มีโอกาสที่จะคิดที่จะหาทางค้นทุก์ได้ เพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงท่านคิดถึงจุดนี้แหละท่านจึงหนีออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าท่านอยากจะทำเหมือนกับสมณะที่ท่านได้เห็นจากนั้นพระองค์ก็ไปค้นคว้าศึกษาจึงหปีที่พุทธกายาที่ต้นโพพุทธกายาที่พวกเราได้ไปกราบไปไหว้ที่วัดต้นโพพระพุทธเจ้าตรัสรูนรสร้น่ะพระองค์ได้ไปอยู่บำเพ็ญอยู่ที่นั่นหปี พระ อ, องค์ได้ค้นคว้าศึกษาทดลองผิดล อ, อ, องผิดลองถูกลองถูกลองผิดเหมือนกับทดลองกเกษตรหรือทดลองอะไรก็ตามที่ต้องการท่านไปทดลองอยู่ตามลําพังพอทดลองถึงหปีท่านจึงได้ตัดจรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพลนคือวันเดือนหเพลนเป็นวัน ตัดรู้และเป็นวันสูตรสําเร็จหรือว่าเป็นวันสําเร็จเป็นว่าจบแล้วที่ได้ค้นคว้าศึกษามาจบหลักสูตรแล้วเป็นที่พอใจแล้วไม่มอีอันไหนที่จะยิ่งกว่าแล้วอันนี้ก็คือวันเดือนหกเพนท่านทําอย่างไรนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อได้พูดว่าตายแล้วไม่สูตตายแล้วเกิดอีกเพราะพระองค์ทําอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องค้นคว้าศึกษา ตามแนวแถวของพุทธะถ้าเราสงสัยก็ยสงสัยอยู่นั่นเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วจะหายสงสัยปฏิบัติยังไงคือพระพุทธเจ้าท่านทําอย่างไรท่านบอกว่าเรานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นในวันนั้นในตอนหัวค่ําจากนั้นใจของเราก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัตนาเกิดฌานขึ้นมาระลึกชาติผนหลังได้เรียกว่าปุเพน่วาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนดูคนอื่นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างไง ทำไมเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันเกิดเป็นช้างมา้าบัวควายหมูหมาเป็ดไก่เกิดเป็นมนุษย์ก็ยังไม่เหมือนกันอีกตื่นเป็นคนจนคนรวยคนสวยคนงามมีสติปัญญาคนโง่คนบ้าใบเสียจิตคนพิกงพิการทำไมเกิดขึ้นมาแล้วจึงไม่เหมือนกันเพราะองค์ก็มองไปแต่ละสรรพสัตว์ทั้งหลายช้างตัวนี้มันใช้กรรมอะไรทำไมจึงมันมาม า, มาเกิดชาติที่เป็นช้าง คนนี้เกิดมาเพราะรวยอะไรพระองค์มองมองมอ ง, มอ ง, มองดูไปแล้วท่านบอกกรรมเกิดมาจากกรรมคือการกระทําถ้าใครทำกรรมคิดไม่ดีแล้วก็ทําไม่ดีพูดไม่ดีกรรมตัวนั้นจะตามให้ผลออกรรให้ผลแก่แต่ดวงวิญญาณ น, นั้นเมื่อตายออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วกรรมจะตามให้ผลอย่างพ่อโมกคาลาเนี่ยยกตัวอย่าง ก่อนหน้านี้พระองค์พระโมกขารเป็นลูกพ่อแม่ลูกชายคนเดียวพระนสูศก็ฟังคําพัญญาที่ยุยงพระนสูศก็เลยได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ในชาตินั้นพระโมกลาได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ในชาตินั้นพ่อฆ่าแล้วน่ะกรรมที่ท่านได้ทำมาแล้วตามสนองเกิดบกบน้าชาตินากระโดนฆ่าเกิดพบต่อไปกระโดนฆ่า ถูกโดนค่ะจนได้มาเกิดในเป็นคราวนี่เก็เป็นลูกเศรษฐีก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าหอเขินเดินฟ้าได้อีกต่างหากดำดินบินบนได้อีกต่างหากมีอิทิิอีกต่างหากพระสาลีบุตรเป็นอัครสาวกทางด้านขวาเป็นผู้มีปัญญาเลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย พระโมกขาลาเป็นอัครสาวกข้างซ้ายเลิ่กว่าพิสูจน์ทั้งหลายเป็นผู้มีฤทธิ์มากแต่ผลที่สุดพระโมกขาลาโดนฆ่าที่เมืองกาลสศีลากรุงเขตแขวงกรุงราชจะคือประชาชนทั้งหลายเขาก็โจดขานเขาทำไมพระโมกขาลาคนดีจริงๆทำไมถึงถูกโจนค่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้และเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชอีกต่างหากพระองค์บอกว่ากรรมกรรม กรรมชั่วของพระโมคขลาสมโมกขลาตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทําไว้พระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้กราบทูลถามว่ากรรมอันใด ห, หนอถึงหนักถึงขนาดนี้พระเจ้าค่าระารองบอกว่าโมกคลาฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้อดีตชาติเนี่แหละพรโมคขลาถูกโดนฆ่ามาไม่รู้กี่พบผีชาติแล้วเพราะกรรมหนักที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะนั้นมาพบนี้ชาตินี้ถึงจะมีฤทธิ์มีเดชก็ไม่เหนือกรรมเออ กรรมในเหนือกว่าเหนือกว่าฤทธิ์ฤทธิกว่าเดช ท, ทั้งหลายหนีหนีไม่พ้นหนีกรรมไม่พ้นกรรมนี่หนักกว่าเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกถึงตาัไว้ว่าอากคตังทุกตังเสโ ย, ยปัชชาตะปฏิลุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละพระโมคคัลานทํากรรมที่ไม่ดีเอาไว้ กรรมชั่วอะไรให้ผลทุกภพทุกชาติมาจนถึงชาติสุดท้ายคือชาติที่ท่านเป็นพระอระหันต์แล้วท่านก็ยังถูกโดนฆ่าอีกแต่ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วกรรมคงตามไม่ถึงแล้วท่นเี่พราะท่านเข้าสู่นิพพานแล้วเป็นมิติหนึ่งกรรมท่านเนี่ก็เหมือนกับหมาหรืออะไรตามหาไม่เจออะไรท่นเนี่ยเพราะว่าท่านขึ้นไปยานอวกาศหายไปแล้ว นี่แหละอันนี้คือพระพระองค์ท่านตรัสว่ากรรมชั่วจะทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วทำลงไปแล้วจะให้ผลนี่แหละอันนี้คือจุ ต, ตูปปาตญาติการจุดติของสรรพสัตว์หรือว่าการจุดติของวิญญาณพวกเราท่านทั้งหลายมีที่ไปที่มาเพราะนั้นขอให้พวกเราอยากจะรู้ว่าจะทำยังไงยึงจะรู้ได้ว่า ตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญนี่แหละหลักพิสูจน์ให้นั่งภาวนาในเนื้อนั่งสมาภาวนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกใจของเราจะรวมพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเลยไม่ถึงกับเป็นพระอริยบุคคลโสดาสกทาคานาคาเพียงจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่ง เราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอ่านกันเห็นได้ชัดหลวงพ่อเลยเปรียบเทียบให้คณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายได้รู้ได้ทราบว่าเพราะคนทุกวันนี้ไปที่ไหนก็นั่งรถอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาที่นี่ก็นั่งรถมาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงเปรียบเทียบว่าร่างกา ย, เ, ยเหมือนกับรถนะแต่จิตใจนมามธรรมเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถ มันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับคนพาไปนี่แหละโซเฟอร์พาไปแต่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญโซเฟอร์มากกว่ารถนะท่านจะว่ามโนปุพังข้มาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจใจก็คือโซเฟอร์ น, นะถ้าเราจะเปรียบเทียบว่ารถคันนี้ที่มาได้นี่โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้า สำเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์โซเฟอร์จะพาไปไหนถ้าโซเฟอร์เหยียบคันเร่งหักพวงมาลยัยลงคลองก็ตกคลองได้ขับไปชนต้นไม้ก็ชนต้นไม้ได้ชนคนก็ได้ชนที่ไหนก็ได้เพราะโซเฟอร์เป็นผู้ขับรถคันนี้นี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าใจของเราไม่ได้รับการอบรมใจของเราไม่ได้ไม่มีศีลมีธรรมใจของเราไม่ได้มีจริยธรรมไม่มีคุณธรรมใน จ, ใจิตใจ จิตใจเป็นนักเลงโมโหโกธาเป็นคนดร้ายเป็นคนเลวเป็นคนผ่านเป็นภาละชนไม่อยู่ในร่างกายของเราร่างกายของเราก็เป็นหนักเป็นหมัดเป็นมวยด่าคนนั้นด่าคนนี้ชกคนนั้นป้อนคนนี้ตีคนนั้นมันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดพราะอะไรเพราะใจของเราไม่ได้รับการอบรมถ้าใจของเราได้รับการอบรมเป็นพภาริยะบุคคลพระโสดาสกทาคาอนาคาพระรหันแล้ว ใจของเราจะอยู่ในร่างกายนี่ร่างกายของเราก็เป็นบัณฑิตนักปราชญ์กายของเราก็เป็นคนดีสำมามีสำมาคราวะรู้จักกาละเทศะควรม่ควรอย่างไรพวกเราก็จะรู้นี่แหละสมควรอย่างยิ่งพวกเราจะต้องได้รับการอบรมทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะตายแล้วไม่สูญนรกสวรรค์มีจริงบาปปุญคุณโทษมีเพราะฉะนั้นพวกเรา เกิดมาพบนี้ชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นผู้โชคดีเป็นผู้มีบุญอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาสีเบื้องต้นว่าปุเพจกระตปุญญาตาปฏิรูประเทสว่าโซจะพวกเราเกิดในปฏิรูปประเทศคือประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีศีลมีธรรม แล้วก็พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีศีลมีธรรมนี่ว่าเกิดในปฏิรูปประเทศเปฏิรูประเทสวาโซจะบปบเพจจ ก, กตะปุญยตาพวกเราคงจะได้ทําบุญไว้ในอดีตแล้วก็ปลาท่านนาว่าเออเกิดพบใดชาติใดถ้าข้าพเจ้ายังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสา ร, รขอให้ข้าพเจ้าไปเกิดในดินแดนที่มีเป็นพระอริยะเป็นผู้มีศีลมีธรรมให้มีสัมมาทิฏฐิ ขอให้ข้าไปเจอข้าพเกิดและจะได้มีความทุกข์ยากาลําบากด้วยปัจจัย4สมบูรณ์บริบูรณ์ให้อย่างอัตภาพาให้กับข้าพเจ้าในสถานที่ข้าพเจ้าเกิดนั้นๆด้วยเถิดอันนี้คือเราตั้งปาฏิาริย์ในอดีตชาติเพราะเราจะได้มาเกิดปฏิรูปประเทศเปฏิรูปประเทศสวาโซจะปุเพจะพวกเราได้ทําบุญไว้ในอดีตจะมาเกิดที่นี่ตอนนี้ต่อไปนี่พวกเราเมื่อมาเกิดแล้วตันี้บางคนก็ว่า ไม่ตั้งตนไว้ชอบพ่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ลืมตัวคิดว่าตายแล้วศูนย์นรกสวรรค์ไม่มีเราหาเงินคําซ้ําสวรรค์เนี่ยเลิศประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรแล้วในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยคนที่มีเงินเท่านั้นแหละเป็นที่เชิดหน้าชูตาคนที่ยากจนอนะ่ะไม่ใช่ไม่เป็นที่ยอมรับของผููคนถ้าคิดอย่างนั้นก็ถูกแต่ไม่ฉุกทีเดียวนะถ้าบัณฑิตนักปราชญนะ์ท่านวายังคิดผิดอยู่ เพราะเหตุไรเพราะว่าร่างกายของเรานี่นะหาปัจจัยสี่เออหาเงินหาคำตั้งแต่หมืนม่นล้านแสนล้านก็เถอะมาเลี้ยงร่างกายของเราเอออาหารอย่างดียาแก้โรคภัยไข้เจ็บยาที่ไหนมันดีที่สุดในโลกนี่หามาเลี้ยงร่างกายผ้านุ่งผมดีที่ใส่ที่สุดสั่งมามาใช้เออพันละหมื่นละแสน ส, สั่งมาเถอะกระเป๋าใบละเท่าไหร่อ้าวสั่งมาเอามาใช้ บ้านเรือนของเราสร้างให้หรูหราโอ้อาขนาดไหนสวยงามขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้าอายุ60 70-80 ปีเดี๋ยวก็เห็นผมขาวเดี๋ยวก็เห็นฟันหลุดเดี๋ยวก็เห็นตาฟ้า ฟ, า, ฟางเดี๋ยวก็เห็นหนังเหี่ยวเดี๋ยวก็เห็นนอนอยู่ในที่นอนลุกไม่ขึ้นละพอในสู่ก็ตายในบ้านหลังนั้น นี่แหละเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็นเลี้ยงเถอะมันถึงจุดจบคือความตายแต่ว่าส่วนจิตใจคือนา ม, มทัทธธรรมจุดนั้นนะ่ะพระพุทธเจ้าให้ความสนใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าร่างกายหนึ่งจะเลี้ยงขนาดไหนก็เถอตะตนุถนอมเหมือนกับเราดูแลรักษารถของเราเนะี่ยไปที่ไหนเช็ดทั้งวันเช็ดล้างทําความสะอาดใส่น้ํามันเครื่องใส่น้ํามันเบรคน้ํามันเกลี่ยมไม่ให้ขาดแต่ขับใช้ไปอยู่ ออบางทีเรายังจอดนะรถนะแต่ร่างกายของเราเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายได้คิดไหมแต่เราเกิดมาตั้งแต่เราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่หลวงพ่อเนี่ยเจปีนี่หลวงพ่อไม่เคยดับเครื่องเลยหายใจอยู่ตลอดทั้งคืนทั้งวันทั้งวันทั้งคืนรถของเราเนะี่ยยังดับเครื่องนะอย่างพวกเรามาถึงวัดเห็นไหมไม่มีรถคันไหนที่จะจะตัดเครื่องให้ติดไว้ดับเครื่องเอาไว้แต่ขนาดนั้นก็เถอะรถของเราก็ยังใช้ไปในนาน พอใช้ไปนานๆเข้าไปจะรักษาดีขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งหมดรถของเราก็หมดสภาพใช่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันรถเก่าหลวมไปหมดถึงจะรักษาอย่างไรก่อใช่ไม่ได้เพราะว่ารถมันเก่านี่ก็เหมือนการร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะดูดูดีทนุถนอมขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราก็จะไปตามสภาพของมัน นี่แหละในเมื่อร่างกายไปตามสภาพใจคือนํมามธรรมคือว่าโซเฟอร์ตรุนนั้นแหละได้เตรียมพร้อมระยับถ้าอะไรไม่ไม่ได้เตรียมพร้อมไ ม, ไม่ได้เตรียมพร้อมเราไม่ได้หาเงินเอาไว้ออกจากพบนี้ชาตินี้ไปแล้วน่ะอาจจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไกา่ช้างมา้าบัวควายเป็นได้ทั้งนั้นเพราะใจของเราน้ํามธรรมตัวนี้มันเกิดในพบภูมิต่างๆได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราเตรียมตัวเตรียมใจคิดเอาไว้ ดีกว่าไม่คิดถ้าไม่คิดจะเลยถึงวันจุดท้ายเรามาคิดวันจุดนั้นแหะสายเกินไปเสียแล้วไม่ทันเพราะฉะนั้นเราต้องคิดไว้ปฏิบัติ ด, ดูแล้วก็นั่งภาวนาดูอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวถ้าจิตใจของเราสงบลงได้จิตใจรวมสงบลงไปแล้วพวกเราไม่ต้องถามใครเชื่อได้ด้วยตนเองเพราะนั้นเมื่อเรารู้รู้แล้วว่าตายแล้วไม่ไม่ศูนตายแล้วเกิดอีก เราควรจะสั่งสมบุญเ อ, อเตรียมบุญเอาไว้ที่ไหนปุญญาณิปัลโล ก, กัตฉมิงปฏิทถาโหรติปาที่หนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกน่าโลกนี้คนมีบุญไปในสถานที่ใดมีแต่คนยอมรับเพราะว่าคนมีบุญไปถ้าพบหน้าชาติหน้าพวกเราเขมีพบหน้าชาติหน้าเราไปเกิดในพบใดภูมิใดไปเกิดในพลเผ่ากลุ่มใด เราก็เหนือกว่าเขาในกลุ่มนั้นเพราะอะไรเพราะเราได้สั่งสมบุญกุศลไว้ในพบนี้ชาตินี้พอสมควรแล้วเกิดพบใดชาติใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทงั้งท่างด้านวัตถุทั้งการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างคนมีบุญเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะรัายาธิโยมลูกหลานทุกคนนะที่พวกเราได้มาสั่งสมบุญกุศลได้มาสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้ เพื่อเราจะได้ทอดผ้าป่ามหากระถินเพื่อสร้างวัดวาศาสนาแต่ท้งนี้ทง้นทงนั้นทุกคนไม่ให้หนักใจแต่ทุกคนควรจะมีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าเราไม่ได้ทำเสลยเหมือนกับเราหามาแล้วก็ิดแต่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างที่วาไม่ได้สังสมไม่ได้มีอั น, นิสงทานคนมีอั น, นิสงทานเกิดพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่ทุกข์ไม่จนใน ด้านวัตถุทำมาค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองด้วยลาบด้วยยศเพื่ะไรเพราะว่าอนิสง์ทานมันเป็นพลังลึกๆ ก, ก, การทํามาหาเลี้ยงชีพถ้ามีอนิสง์ทานไปทํามาค้าขายก็ถูกช่องถูกทางไม่ล่มไม่จมเพราะอะไรเพราะอนิสงทานเกื้อกูลหนุนเพราะนั้นคนที่มีอเนกสง์ในการทําบุญทำทานในอดีตชาติมาในชาตินี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง วนนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาณโยมทุกๆท่านาและก็อย่าลืมที่หลวงพ่อได้พูดว่าพระพุทธเจ้าได้ภาวนาท่านได้ตัดรู้ในพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพนั้นท่านทําอย่างไรนี่แหละให้ยึดตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าเพราะว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่สาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่น ท่านก็ยึดตามแนวแถวที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวคือนั่งใ ห, ให้นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วให้กําหนดแต่หลวงปู่สาหลวงปู่มั่นท่านให้ภาวนาพุทโธนะคณะาาญญาับนักสัตายาโยมลูกหลานนะแต่พระพุทธเจ้าท่านเพียงแต่กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าให้บริกรรมสามทัพกับพุทธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุท พุทโธทำไมจึงให้บริกรรมท่านบอกว่าถ้าไม่มีคำบริกรรมมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายเพราะนั่นเหตุสามทัพพุทโธเขาเนี่ยลูกหลานนะถ้าเอาพุทโธสามทับใจของเราจะรวมสงบพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยจะเกิดความรู้ขึ้นมาในใจจากนั้นกับพิจารณาทางวิปัสสนาต่อไปอันนั้นคือขั้นต่อ แต่อันดับแรกก็ต้องให้จิตใจสงบซะก่อนแนะ่หลวงพ่อแนะนําอีกแนวหนึ่งพอหลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อบอกเออให้พวกเรานับดูนะการภาวนานถ้าวัดมันจิตใจมันเผลอมันแสบมันสวบไปให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธใจใจแต่อย่าไปอย่าไปพูดออกปากหรือว่าพูดแบบกดเกินไปให้เพียงแต่บสะสมทบให้นึกในพุทธโธพุทธโธพุทธโททธโท อยู่กับตัวมันนึกคิดน่ยมันนึกคิดจ น, นให้สำทับอยู่ตัวที่มันนึกคิดให้พุทโทนึกคิดเอออันนี้ก็คืออันหนึ่นนงแล้วก็พุทโทรพร้อมพร้อมกับลมหายใจเข้าออกแต่ลบงพ่อแนะนำว่าให้นับดูหน้านะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับ2องส ส, สี่จนถึงร้อเออมันจะเผลอมันจะเบอเบอร์เบอร์เสร็จแล้วนะหายใจเข้าเนี่ยเป็นเลขคี่หายใจออกเป็นเลขคู่หนึ่งสสามสี่ ออกในคู่ทั้งหมดแต่เข้าในขี้ทั้งหมดแต่ว่ามันจะเผลอแล้วมันจะเข้าเลขขี้ออกเลขคู่นะพี่น้องลูกหลานชะตาญาติโยมนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเนะ่ใจของเราเนะี่ยมันเผลอเร็วหรือเผล่ง่ายยังไงไม่ต้องถามใครเราจะรู้ด้วยได้ด้วยตนเองนี่เพราะนั้นให้เวลาหายภาวนาเนี่ยพอภาวนาเข้าไปนับถึงร้อยครั้งหนึ่งสองร้อยร้อยไม่เผลอเลยนั่นละ แปลวสติอยู่กับตัวเองดีแหะทีต่อไปกับพุโทโธพุโทโธในขณะที่ในขณะที่บรินับอย่างนั้นนะ่ะถ้าเราจะเปรียบเทียบก็บเหมือนกับน้ําที่มันไหลเชี่ยวมันคิดมันปูงมันพุ่งซ่นไม่รู้จะทํำยังไงให้นับดูเหมือนกับเราไม้ยาวๆถ่อไปด้วยนะทั้งภายทาาั้งถนะ่อเหมือนกันยันเรือของเราให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเพราะถึงเรือของเราไปถึงที่ เ่ปลอดภัยแล้วก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธโทพุทโทพุทธโทเนะี่ยจากนั้นใจของเราจะเข้าสู่ความสงบพอใจสงบเป็นพื้นฐานแล้วจะให้ศึกษาเรื่องวิปัสสนาต่อนะจะทำยังไงพิจารณายังไงจึงจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตาย น, ะนี่แหละเราคอยศึกษาไปเรื่อยๆพ่อหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่ยูทูป กุมได้กลุม1นจุดใดจดหนะมีทานมีศีลมีภาวนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถึง 84% 00มพระธรรมมขัดนะมากมายเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราฟังครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อพูดวันนี้กัพูดรวบรัดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ไไดไหลายแนวทางตายและไม่สูญอย่างเปรตพระเจ้าพิมพ์พิสารถ้าเราทําบุญทําทบุญไปแล้วไม่อุทิศส่วนกุศลเนี่ยเขาไม่ได้รับนะ พ่อแม่พี่น้องของพวกเราเหมือนกันให้นึกคิดกวดนะ้ำกุศนกุศลเออผู้ฆ่าได้ทําบุญวันนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราเออไปอยู่ในภพภูมิใดตกทุกข์ใดยากให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าในครั้งนี้โดยเทิดนะนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ อ, อ่าท่านว่านะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ ทำกิจวัตรของท่านดํารงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเนี่แหละข้อจุดท้ายเนี่ยเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้ก็เหมือนกันนี่พ่อแม่ของเราในอดีตชาติญาติโกโหติกาของเราในอดีตชาติปัจจุบันในชาติถ้าว่าท่านเหล่านั้นดวงวิญญาณเหล่านั้นตกทุกข์ได้ยากอย่างไร ข้าพเจ้าได้มาพบได้ทําบุญไว้ในพระพุทธศาสนาได้มาสร้างวัดวาศาสนาได้มาลงทุนเพื่อสร้างวัดแห่งนี้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ขอให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายบงสาคณะญาติของข้าพเจ้าของแต่ละคนนะตกทุกข์ใดยากก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าในครั้งนี้ทุกๆุดวงวิญญาณด้วยเถิดอันนี้คล้ายๆว่าเราที่ส่วนกุศล เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะจทธายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะหลวงพ่อได้กล่าววันนี้ก็อพอสมควรกับการเวลาต่อนนี้ไปหลวงพ่ อ, อจะได้หยุดในการแสดงธรรมด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลคุ้มครองอนุภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลาย